เมื่อใช้บริการผู้หญิงขายตัวบ่อยๆจะทำให้ต้องกลายไปเป็นผู้หญิงขายตัวเพื่อชดใช้กรรมในวันหนึ่งหรือไม่ครับต้องดูที่จิตที่คิดซื้อผู้หญิงมาบำเรอตนครับถ้าซื้อบ่อยๆจนกระทั่งจิตเกิดความเหยียดหยามดูถูกมนุษย์ด้วยกันกระทั่งใจหน่งอวัยวะเพศหญิงเป็นสินค้าที่น่าติดใจและหาซื้อได้ด้วยเงิน ก็เป็นไปได้ที่ความคิดดูถูกนั้นจะก่อตัวเข้มข้นแล้วแปลเป็นพลังเหวียงไปเข้าวงจรค้าขายโดยตัวเองกลายเป็นสินค้าให้คนอื่นซื้อบ้างที่มีโอกาสเข้าขายมากสุดคงได้แก่ป่าป่าที่จ้องหาหญิงตกยากโดยเฉพาะพอรู้ว่าใครร้อนเงินก็หยิบยื่นให้พร้อมข้อเสนอขอแลกเปลี่ยนเป็นบริการในห้องลับทันทีหากทำบ่อยจนติดอยู่ในใจ คิดแสวงหาอยู่เนืองๆ เ, เช่นนี้แม้ไม่เชิงเจตนาประทุษร้ายผู้หญิงก็ถือว่าย่วใจให้ทางเลือกกับหญิงเป็นวิธีขายกายขายศักดิ์ศรีผลที่จะได้รับย่อมเป็นการถูกกดลงไปสู่สภาพจนตรอกและมีผู้ขอแลกซื้อศักดิ์ศรีเข้าให้บ้างการให้เงินผู้หญิงด้วยความรู้สึกว่านั่นเป็นค่าตอบแทนไม่ใช่โยนให้ด้วยอาการดูถูกก็คงไม่นับว่าดีหรือร้าย แต่เป็นการแลกเปลี่ยนตามข้อตกลงซื้อบริการและขายบริการไม่ต่างจากซื้อขนมของแม่ค้าเท่าใดนักจึงไม่ถึงขนาดต้องผัดบทลงไปเป็นฝ่ายขายตัวบ้างหรอกครับแต่พูดก็พูดเถอะผู้ชายที่เที่ยวผู้หญิงบ่อยนั้นยากครับกับการรักษาใจไม่ให้ดูถูกเพศหญิงขอแค่อย่าถึงขนาดเที่ยวหวานเงินล่อใจหยิบยื่นข้อเสนอให้ผู้หญิงดีๆคิดขายศักสีก็แล้วกัน เพราะถ้าถึงขั้นนั้นกรรมของการเป็นผู้ซื้อจะเหวี่ยงให้กลายเป็นผู้ถูกซื้อเข้าจนได้นี่ไม่นับพวกบังคับหรือหลอกลวงหญิงขายตัวนะครับนั่นหนักถึงขนาดลงนรกไปเลยแม้เมื่อรอดจากนารกมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องอยู่ในสภาพหญิงถูกบังคับค้ากามเช่นกัน